8. อัฏฐานะสมุทฐาน265อัฏฐานะสิกขาบทว่าด้วยการชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณีนาวสิกขาบทว่าด้วยการชักชวนภิกษุณีโดยสารเรือลําเดียวกันปณีตสิกขาบทว่าด้วยการออกป่าขอโภชนะอันประณีต มาตุคามสิกขาบทว่าด้วยการชักชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคามสังหรรสิกขาบทว่าด้วยการถอนขนในที่แคบทัญยสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอเข้าเปลือกดิบนิมันติตาสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีได้รับนิมนต์ปาติเทสนียสิกขาบทแปดสิกขาบท ส<ศ>ิกขาบทเหล่านี้รวมเป็นสิบห้าสิกขาบทเกิดทางกายมิใช่เกิดทางวาจามิใช่เกิดทางจิตเกิดทางกายกับวาจามิใช่เกิดทางจิตเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาเกิดทางกายวาจากับจิตรวมเป็นสี่สมุทฐานพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณ ทรงบัญญัติในไว้เสมอกับอัธฐานะสิกขาบทอัธฐานะสมุทฐานจบ